إنك أنت العلم الحكيم رب شرالي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدام ن لسان ي ا و ق و ل ي اللهم افعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا أتنا من د ن ك رحمة وحي لنا من أمرنا رشد الحمد لله รทุครุฟเราจะพยายามให้จบนะครับทันกับเดือนรม ض อนอาจจะต้อง อ, อ, อธิบายแบบไม่ยาวมากนะนะครับวันนี้เริ่มตั้งแต่อายัดที่36เราจะอธิบายไปจนถึงอายัดที่45เลยนะครับแต่ว่าอาจจะอ่านร่วมกันสัก 4-5 อายัดพอนะครับถึง ถึงอายัดที่สาสิบเก้านะครับหลังจากนั้นกอ็อ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อธิบายให้จบถึงสี่บ้าเราอ่านถึงสามสิบเก้าแต่อธิบายถึงสี่สิบห้านะครับเลาดเพื่อไม่ให้ใช้เวลามากจนเกินไปในการอ่านสุสุรุตุซุครุฟสามสิบหกครับ <c oughs> أعوذ ب الله من الشيطان الرجيم و م الر ن ي ع ش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان ف َ ه ُ و َ لَهُ ق ر ิน و ่าอินฺนฺหฺม์ลาُัซดฺดฺนฺหฺม์อาณ ว ي َ حسبونأنهم م تدون حتى إذا แล ي ยาเล ي ย وَبَيْنَكَ ب ُ ع ่าเบญน์แคบูเดลเมชริควินทับ ل ْ ق َ ا ر ِ ي ن َ وَلَنْ َวََยฟะกุมุ ي َ و م َ إ ิ้ด ظلم ُ م ْ أنكُم ََّ في العذاب َِ مشتركون ُ อ่าอ l h a m d u l i l ล a นะครับอเยะที่สามสิบหกพูดถึงวะมันยัชูอนุคิรอัลลอฮบรรดาคนที่ติดหลังให้กับอัลกุรอานหรือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตอนหน้านี้ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับข้อร้อง ข้อเรียกร้องของพวกมุชริกีนพวกมุชลิมีนที่สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นว่าคนที่จะเป็นนบีคนจะต้องมาจากใครมาจากคนที่ว i p อพีเป็นคนที่มีตำแหน่งในสังคมเป็นคนที่มีตังเยอะๆน่าจะได้เป็นนบีมากกว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งหรือคนที่ไม่มีหน้าตาในสังคม นี่คือเกณฑ์ของพวกมุชลิมีติรัสาลาก็เลยบอกว่าเอ้มายุ่งอะไรด้วยนะครั บ, ก, บกับการกำหนดของเราอย่าว่าแต่เรื่องที่มีความสำคัญอย่างการเป็นนบีการเป็นรอซูลการได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้ถือทายทอดศาสนาอิสลามให้กับประชาชาิเนี่ยมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อย่าว่าแต่เรื่องนี้เลยแม้กระทั่งเรื่องดุเนีย อัลลอฮฺกตะลาห์ก็เป็นผู้จัดการทั้งหมดแล้วคนเหล่านี้มีสิทธิ์อะไรที่จะมาร้องเรียกเรียกร้องจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แบบนี้แล้วพระองค์ก็บอกว่าจริงๆแล้วพวกมุชริกีนเนี่ยเกณฑ์ของดุนยาเป็นตัววัดก็คือทุกอย่างจะทําอะไรก็แล้วแต่ดุนยานี่เป็นเกณฑ์ดุนยานี่เป็นเกณฑ์ความมั่งคั่งเป็นเกณฑ์หลักในการที่จะ กำหนดว่าใครดีใครชั่วใครไม่ดีหรือใครไม่ชั่วทีนี้อัลตาราก็เลยบอกว่าดุน ي ة ในสายตาของพระองค์นั้นอัลลอฮ์ไม่มีค่าอะไรเลยไม่อย่างนั้นพระองค์จะไม่ให้เลยนะพวกมุสริกีนเนี่ยถ้าพระองค์ไม่กลัวจริงๆแล้วพระองค์พร้อมที่จะให้ดุน ي ة สําหรับเราอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยถ้ามีค่าพระองค์ไม่ให้เพราะมันไม่มีค่านั่นแหละที่พระองค์ให้เราให้กับพวกมุสลิน ถ้าดุเนียมีค่าจริงมุสลิกนไม่สมควรจะได้รับสิ่งที่มีค่าจากอัลลอฮฺต้อาอัลลอฮ์โยซับแต่เพราะมันไม่มีค่าพราะองค์ก็เลยให้แต่ถามว่าพราะองค์ให้เยอะไหมให้เท่าที่ควรจะให้เพราะถ้าให้เยอะคนจะเป็นกูฟร์ตการบดคนจะไม่มีใครที่เอะจะหลงอยู่แต่ในดุนยียจนกระทั่งไม่มีใครศรัทธาต่อรพระองค์พระองค์ก็เลยไม่ให้พระองค์บอกว่าถ้าไม่กลัว ว่าคนเหล่านี้จะกลายเป็นกูฟอร์กันหมดเนี่ยอย่าว่าแต่ดุนยาเล็กๆน้อยๆแค่นี้เลยพระองค์จะให้เยอะกว่านี้อีกจะให้บ้านเป็นทองคำทั้งหลังปันไดก็เป็นทองคำหลังคาก็เป็นทองคำจะเอาอะไรอีกะถ้าไม่กลัวว่าคนเหล่านี้จะเป็นกูฟอร์ตกันแต่นั่นแหละพระองค์ให้เท่าที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมาการที่พระองค์ให้เอ่อเท่าจํานวนที่พระองค์กําหนดมามีมัสละฮะ มีิกมมะีเหตุผลของพระองค์ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นเพียงแค่ดุนยาไม่ได้มีอะไรเลยในสายตาของลอสบานอตาละตอนท้ายของอายัดของเอที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่างไงนะวัลอัคิีรัตุวันอัคคีรัตนั้นวัลอัคคีรัตุอินดารอบบิกลิลมุตตะกินอาคคีรัตนั้นดีกว่าซึ่งอัลลอฮฺตรียมเอาไว้ใหกับบรรดาคนที่เป็นมุตตะกีนมาวันนี้ พระองค์จะอธิบายสภาพของคนที่หมกมุ่นอยู่กับดุนเนียจนลืมพระองค์จนลืมอัลลอฮฺจุลันลาจนลืมอิสลามจนลืมอัลกุรอานจนกระทั่งลืมวิถีทางของท่านนบีสุลตาร์อัลลอฮจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราอยู่กับดุนเนียเยอะๆอยู่กับสิ่งที่ทําให้เราหลงลืมอัลลอะฺจุลันลาเยอะๆนี่จะเกิดอะไรขึ้น อัลลอฮวอัลกุรใช้คําพูดที่ลึกซึ้งมากนะใช้คําว่าอะไรชื่ออะไรตรงนี้เอาพระนามอะไรมาพูดว่ามนยษยอัน ذكر الرحمن อัลรหมานเอาชื่ออัลรหมานมาใช้ในการในการทำให้ทำให้หัวใจเราสะเทือนอ่ะเพราะอัลรหมานนี่มันมีในยะอองมันชื่ออัลรหมานหมายถึงความเมตตา มีใครบ้างที่จะลืมคนที่ทําดีกับเราไม่มีเวลาที่คนทําดีกับเราเนี่ยเราลืมเขาไหมคนที่เคยให้ตังค์เราคนที่เคยให้หนู่นนี่นั่นเราคนที่เคยช่วยเหลือเราอะ่ะในมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีทางที่จะลืมแล้วถ้าสมมุติมีจริงๆแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงเป็นคนที่ชั่วมากๆเป็นคนที่ไรความกตัญญูมากๆเลยใช่ไหมนี่กับมนุษย์ด้วยกันนะ แล้วกับ Allah ล่ะคนที่ลืม Allah ผู้ซึ <alah> ่งเป็นอัลลอฮ์มานเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์สั่งล้บอกว่านุย قيط له ش ي ط ا ن นคนที่ลืม Allah ذ ร ر الرحمن ตรงนี้เนี่ยว่ามันยัชูยัชูหมายถึงฟ ضعف หมายถึง ضعف ลักษณะเดิมของมันก็คือการที่ไม่ให้ความสําคัญ ทำเป็นเหมือนตาบอดตาบอดทําเป็นเหมือนไม่แลไม่เห็นคนที่มีพระคุณกับเราทําเป็นไม่รู้จักคนที่เคยให้บุญมีบุญคุณกับเราเนี่ยเวลาเจอกัานอ๋อไม่รู้จักไม่รู้ใครคนนี้นี่กับอัลลอฮาเนี่ยมีมนุษย์ที่ไม่รู้จักบุญคุณของอัลลอฮฺใครที่ไม่รู้จักบุญคุณของอัลลอฮฺอย่างนี้ไม่รู้จักการสิเกีรต่อพระองค์ไม่รู้จักคําสอนของพระองค์ไม่รู้จักวิถีทางที่ท่านนบีบอกมา สลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมาบอกกับเขาเนี่ยทัางเป็นม่รู้เรื่องพูดถึงอิสลามม่รู้เรองพูดถึงคุอธรรมม่ร้เรื่องนุคุยด์ลห์หุชัยตานั่น Allah ัละอฮฺบอกเรา่าจะให้ชัยตานอยู่กับเขาเคนที่ไม่มีบุญคนที่ไม่รู้จักไม่สานึกถึงบุญคณขออัลลอฮฺสุบานเราแต่ละจะให้ชัยตอนไปประกบอยู่กับเขา ah ให้เขาเป็น قار ิน ไห้ใช um ้ตอนจูงไปเลยในเมื an ่อไม่เอาอัลลอฮ์ซิกรุรราห์แนถ้าเราไปดูในท afsir หลายๆท afsir เนี่ยก็อ้างที่ว่าหมายถึงอัลกุรอานุลกิริเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอันดับแรกเลยอัลกุรอานอุลกิริใครที่ทําเป็นตาบอดหูหนวกกับอัลกุรอานอุลกิริถ้าไม่ใช้อัลกุรอานเป็นทางนำนะในการดํารงชีวิต ในการใช้ชีวิตในโลกดนีานี้ระวังชัยตอนจะเข้ามาประกบและชัยตอนจะเป็นคนจูงเราไปในทิศทางที่หลงผิดหลงทางและไม่สามารถกลับมาเจอกับเส้นทางของ Allah s u b า a n า h u Wa t ได้นี่คือคำว่าตารีนในห a ด i ษของท่านนาบีลลสุลต่านมัมนุตุคนนั้นมีตารีนใช่ไหมครับใครได้ยินไหม hadis ที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนนี่มีตารี Allah Taala haimi malaikat, laka haimi haimi syaitan siapa yang kari? Kari ini, tengah macam jin, macam syaitan, dia koy laluan, haid lukaan Adam ni, lakukan. Macam tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tak kari. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, tahu haid Nabi itu, ambil kari, orang tua dia. Kalau macam itu, amanah yang kari itu ni. มันสามารถที่จะเรียกวอะไรนะเวลาที่เราไม่พยายามจะอยู่ใกล้กับอัลลอฮฺสุบะฮฺระตาระลมันจะยิ่งมีความสามารถในการที่จะดึงให้เฉฉชัย ใ, ชให้เรานันหลงผิดได้มากกว่าคนที่ อ, อยู่กับอัลลอฮฺสุบะฮฺราะตาระละเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้เราเอาชนะอรีนที่คอยล่อลวงเราได้ก็คือต้องซิกรุลละ ต้องใคล้ชิดกับ Allah ต้องอยู่กับอัลกุรอานของพระองต้องอยู่กับฮะดิยุรรัสูลซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมต้องอยู่กับแนวทางของท่านนาบี ส, ส็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัม س มันตรงกันข้ามกันอย่างนี้เลยนะเอาให้ชั ด, ชดๆง่ายๆเลยถ้าอยู่กับ Allah ก็จะปลอดภัยจากชัยตอนถ้าไม่อยู่กับ Allah อ่าระวังเป็นเหยื่อของชัยตอนแน่นอนไม่มีทางเป็นย่าอื่นไปได้ نعوذ بالله من ذلك نقيد له ش ي ط ا ن ا فهو له قرين لا حول ولا ق و ل ا بالله แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคนที่อยู่กับกอรินนานเนี่ย و ن ه م ل يصدو ن ع ن س ب ي พวกชัยตอนพวกนี้จะคอยขวางเขาจากเส้นทางที่เที่ยงตรงอับีก็คือเส้นทางที่ a l l a วีย حسب ว่านันนพวกเขามุ่งมั่นอยู่บนเส้นทางของพระเจ้าแต่รู้สึกว่าตัวเองนั้นอยู่บนทางที่ถูกรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นอยู่บนทางที่ถูกต้องรู้สึกว่าตัวเองถูกในขณะที่ตัวเองอยู่บนเส้นทางของชัยตอนนะอัลลอฮฺบิลละฮ์มิลาลิเมนักวิชาการบางคนอธิบายว่า เหมือนกับบรนดาคนที่หมกมุ่นอยู่กับพวกปรชัชญาหมกมุ่นอยู่กับอิรมูหระะือว่าอิรมูอะไรอิลมูอิลมูแบบตักกะที่ห่างจากอัลกุรอานห่างจากสุนนะหมกมุ่นอยู่กับเออิลมูลแคลมวิธีอะไรนะเอิลมูความรู้ศาสตร์ในการตอบโต้ในการที่มาจากพวก ประชัยกริตสมัยโบราณพวกเนี้ยเวลาที่มันหมกมุ่นอยู่กับวิชานี้เยอะๆไม่ค่อยจะหันมาให้ความสําคัญกับ Al อัลกุรอานเท่าไรเนี่ยก็จะมักมักจะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่เอ่อเป็นฝ่ายที่เจ๋งเวลาที่เราบอกว่าเอ้ามาเรียนอัลกุรอานเรียนอะไรอัลกุรอานถ้าอยากจะเป็นคนเก่งถ้าอยากจะเป็น professional ถ้าอยากจะเป็นคนที่ เอ่อมีมีอะไรมีเตาเรียกว่าอะไรมีความเก่งกาจในเรื่องของวิชาความรู้เนี่ยจะต้องเรียนวิชาที่ตัวเองเรียนต้องเรียนมันตริตต้องเรียนตักกะต้องเรียนวิชาในแบบฉ บ, บับที่ตัวเองรับมาจากมาจากอ่าสำนักของตัวเองไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่เจ๋งอันนี้ก็มียัชซับูนะอันนะฮะมุฮตะ ด, ดูล เข้าใจว่าตัวเองนี่คือที่สุดแล้วความรู้สึกแบบนี้มาจากไหนมาจากการที่ช่้อนเป็นตารีนวัลอตุบิลลฮิมิานใครที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องอื่นความรู้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แหล่งความรู้จากอัลกุรอานจากสุนนะของท่านดบีเนี่ยเราหวังให้ดีจะเกิดสภาวะแบบนี้อัอฮฺุบิลลัฮิมิมานลาอิลาฮยลลัลลอฮฺตุบิลลฮิมินอัลกอรี อัลซัฟรุลลอฮอตูบอิล์นิุนยนีจะอยู่กับกรีนอย่างนี้แหละใช้ชีวิตอยู่กับกรีนมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่ถูกแล้วจนกระทั่งกลับไปหาอัลลออิจนกระทั่งพวกเขากลับมาหาเราก็คือในวันอัคยุรัชۚ قَالَ يَا ل ِ ي ت َ ب นี ن เพิ่งจะรู้ตัวตอนที่อยู่ในดุนยาไม่รู้ตัวเข้าใจว่าชัยตอนเป็นเพื่อนที่ดีแต่ตอนเชิญให้ทำอย่างนน้นชัยตอนชวนให้ทำอย่างนี้เอาหมดเลยไม่ฟังอัลลอ์ไม่ฟั ง, Allah, ฟงรอสูลฟังแต่ชัยตอนนะอับิลละิมินซาลิกรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือหลังจากที่กลับไปหาอัลลอฮสุบฮานาตาลาในวันอัลเราะปรากฏต่อนหน้าตัวเองชัดเจนว่าสิ่งที่ชัยตอนไปหลอกนั้นเป็นความ เป็นความโกหกมดเทจทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ความจริงสักอย่างหนึ่งเลยพอถึงตรงนั้นตัวเองก็จะพูดว่าย่ไลแต่ใบนี้ก็ใบนักบุดัลมเสกไอยากจะให้ตัวเองกับชัยตอนเนี้ยอยู่ห่างกันเหมือนกับระหว่างสองฝั่งตะวันออกบุดัลมุชมัชริกเจ้าเนี่ย ระหว่างฉันกับเจ้าเนี่ยอยากจะให้มีระยะทางห่างกันดังทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่อยากจะอยู่เลยกับแชรอตในดุนียะนี่เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันฟังทุกอย่างแต่พอถึงวันอาคคีรอาแล้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็ทําไม่ได้แล้วในวันอัคคีรัตหมดเวลาแล้วแ ต, ตอนที่อยู่ในโลกดุนียะเนี่ยเอากันจังเอากันจริงแหละแต่พอถึงวันอัคคีรัตจะแตกหักกันไม่มีใครอยากจะได้เป็นเพื่อนอีกต่อไปนะครับกับแชรอน อันน in e, ี uh si ab, ik, ah akat, e, eh. ้เนี่ยมีอายะท์อื่นในสุรทูลอรั่งด้วยแหละอัลลอฮฺและวคนที่ท่านจะพูดด้วยความเสียใจว่าฉันเนี่ยน่าจะเดินบนเส้นทางของรอซูล ฉันน่าจะตามร ر س ู ل ฉันน่าจะตามท่านนบีย่าไลีานีย่าไวล์ต์จะเลี้ยแตนีลมอัตคิสโฟลานั่นคลีละโอ้เสยียใจมากเลยฉันไม่น่าจะเป็นเพื่อนกับคนนี้เลยคนที่ทําให้ฉันหลงผิดฉันไม่น่าจะฟังคนนั้นเลยฉันไม่น่าจะฟังคนนี้เลยนึกถึงสภาพของตัวเองที่เคยหลงผิดตอนที่มีชีวิตอยู่ในเลยละอิลลาห์อิลลาห์ แล้วดั้นงจะรงิฉั น, นกี่ม่ได้เราใ้ว่าคครขะูขูลลกก็ือยหััง ชัยตอนนี่มันจะทลายยับหักหลังอนะ่าเพราะถึงวันอัคร์ละมันไม่เป็นเพื่อนกับเราอีกและ้ะมันบอกว่ากูไม่ได้ทําอะไรเลยมึงแค่ฟังคคคกูกูแค่พูดแล้วมึงแค่ฟังกูไม่ได้มังคับมึงเลยนะกูแค่เชิญชวนกูแค่บอกที่ตัวเองทําเนี่ยตัวเองทําด้วยตัวเองทั้งนั้นสมัครใจทําทั้งนั้นเลยไม่ได้จูงอะไรที่นี่คือภารกิจของชัยตอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ตัวออออออูบิลลลลลลลาาามนกย หูยูห่างๆจากชชยตอนถ้ามีชีวิตอยู่ในโลกดุนียได้อีกครั้งหนึ่งจะไม่เอาชชยตอนอีกแล้วนี่คือความรู้สึกของใครของคนที่กลับไปในวันอะเคระหลังจากที่ตัวเองเคยหลงปิดในโลกดุนยียแต่ลาตาลาก็บอกว่าอย่างไรวันยันฟะกุมุเลียวไม่มีประโยชน์แล้ววันนี้ไม่มีทาง ที่หวังว่าจะไม่เป็นเพื่อนกับชัยตอนเนี่ยวันนี้มีมีประโยชน์อีกไหมไม่มีประโยชน์แล้วอิสลามจมเพราะว่ามันผ่านไปแล้วพวกเจ้าได้อธรรมต่อตัวเองผ่านไปแล้วในโลกนเี้อันนักุมฟิลอาบัติมุชตาริกูดและเจ้ากับชัยตอนก็จะต้องอยู่ในนรกด้วยกันเพระเาะฉะนั้นไม่ต้องมาหวังอะไรหลงห ล, ล้แงแรงในวันกิยามันอีกต่อไปถ้าอยากจะปลอดภัย เลิกเป็นเพื่อนกับชัยตอนตั้งแต่ในดุเนยียถ้าไม่เลิกเป็นเพื่อนกับชัยตอนในโลกดุ น, ยนียนี้แล้วจะไปหวังในวันอัคคีรออยากจะเลิกเป็นเพื่อนกับมันไม่มีทางเพราะรักอะลรจะโยนเราทั้งคู่อะ ล, ลัยอะซุบิลลั่อะอูซุบิลลั่จะโยนทั้งมนุษย์จะโยนทั้งชัยตอนลงไปอยู่นระกทั้งคู่เลยมีการท afsir ประมาณว่าอข้อนี้เนี่ยกําลังบอกเราว่าถ้าสมมุตินะ โมซีบะเวลาที่เราเจอกับโมซีบอะเจอกับไหยานะเจอกับความทุกข์เจอกับปัญหาถ้าสมมุติในโลกดุนยาเนี่ยเราโดนปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดนบาลาอันใดอันหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ถ้าเรารู้อะเฮ้ยเราไม่ได้โดนคนเดียวนะมีคนอื่นโดนด้วยจากเดิมที่เรารู้สึกว่าปัญหานี้มันหนัก อย่างน้อยมันก็รู้สึกทุเราลงบ้างเพราะเราไม่ไม่ได้โดนคนเดียวมีคนโดนโดนกับเราด้วยอ่ะเออจะได้แบ่งแบ่งกันความรู้สึกอัดอัดอัด อ, อ, อันตั้ใจแต่ความรู้สึกนี้ไม่มีในวันอาคเรอดเด็ดขาดอยากคิดว่าต่างคนต่างได้เข้านารกแล้วเนี่ยจะรู้สึกเบาบางไม่ใช่ <laughs> ในโลกนี้เอออาจจะรู้สึกเบาบางลง เวลาที่รู้ว่าคนอื่นก็โดนคนนี้ก็โดนคนน้โอโดนกันทุกคนไม่เป็นไรเวลาโดนโควิดอ่ะโดนกันทุกคนอ่รู้สึกรู้สึกทุเลาลงหน่อยอ่ะรู้สึกในความรู้สึกอะอันนี้ในเฉพาะในดุน ي านะในวั น, วนอคัคราไม่มีแบบนี้เวลาที่เข้าน ร, นรกเ น, น, นี่นน ย, ไ ม, มมนนมยไม่มีความรู้สึกอ๋อมึงก็โดนนี้ก็โดนเออรู้สึกเบาลงหน่อยไม่มีทั้งหมดโดนหนักหมดเลยและไมนมีความรู้สึกไม่มีใครที่รู้สึกว่าอาสาบที่ตัวเองได้รับในนรกนั้น ได้รับการทุเอาให้ผ่อนเบาลงแม้แต่นิดเดียววะไรยะตบิลละดูบิลละให้หมดได้ลาฮาวะละวะลาาม่อของคนที่ปฏิเสธอะไรครับจิกริรรฮมันต้นตอของมันมาจากตรงนั้นแค่นิดเดียวอย่าชุอันจิกริรรฮมัน ทำเป็นไม่รู้ไม <Pacific> ่ชี้กับทางนาของ Allah ทำเป็นไม่แยแสในการราลึกถึงบุญคุณต่อ a l l a ไม่เอาวิถีทางของ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam แล้วสุดท้ายตัวเองก็จะต้องเจอกับสภาพแบบนี้นะวันอัคย์รักละตั๋ลากบกวาอัฟอันเตตุสมีอซุมอูทัดดิลุมย์ ว man คาน่ีใน ظلال มูบีไม้ว่าเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนที่หูหนวกเนี่ยได้ยินหรอกนี่แหละคือสภาพของพวกมุสริีสภาพของคนที่ไม่เอาอัลกุรอานท่านนาบีพูดท่านนาบีบอกยังไงเหมือนหูหนวกเอาตาดิลอนเนี่ยหรืออาจจะเปรียบได้เหมือนกับคนที่ตาบอดบอกยังไงอะไรยังไงมองไม่เห็น و ่าม i mean e ั ن แค่ในฝีด้าเลมโมบคนที่อยู่กับชัยปอนจนกระทั่งหูถูกปิดตาก็ถูกปิดหัวใจก็ถูกปิดไม่มีทางอีกแล้วนะครับที่เขาจะได้รับอิดายัดนะอูสบิลลาห์นะอูสบิลลาห์เป็นต่างๆ فإنما نذهب النبيك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون คนที่อยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยสุดท้ายจะต้องได้รับการลงโทษจากลอสุบฮานะตะลาแน่นอนเพราะฉะนั้นมุฮัมมัดเจ้าไม่ต้องรู้สึกเสียใจนไม่ต้องรู้สึกเนี่ยอายัดนี้เป็นเหมือนการปลอบใจท่านนบีสุลต่านลท่านนบีมีหน้าที่ในการบอกเขาจะฟังหรือไม่ฟังจบละ และคนเหล่านี้ถ้าสุดท้ายพวกเขาไม่ฟังจริงๆอัลลอฮฺตาลาจะลงโทษแน่นอนแล้วการลงโทษของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยเกิดได้สองแบบอายะห์แรกนี่ฟาอิมมานะฮฺฮับานนบิข์ฟาอิหนะมินห์มุนตะควมนี่คือการลงโทษแบบที่หนึ่งหมายถึงให้ท่านนบีเสียชีวิตไปก่อนแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ค่อยลงโทษคนเหล่านี้แม้ว่าท่านนบีจะเสียชีวิตไปแล้วแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะยังโดนกดลงโทษอยู่ดี นีแบบที่หนึ่งแบบที่สองอหรือเราจะให้เจ้าได้เห็นการลงโทษพวกเขาในขณะที่เจ้ายัางมีชีวิตอยู่ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองแบบนี้อัลลอลาสามารถที่จะทำได้หมดเลยปลอบใจท่านนาบีสุลต์ละฮ์สัลตานลมฟัสต์มสิกบิลลัอูฮยอีไล ดังนั้นหน้าที่ของเจ้าโอ้มหัมมัด is ตั m s สิกจงยึดมัน่นบิลลัีอูฮียาอิลิกกับสิ่งที่เราได้ประทานวะฮยูลงมาไอ้กับเจ้าอินนักะอัลลาศิรัติมุสต์กีมแท้จริงแล้วเจ้านั้นอยู่บนศิรัติมุสตะกีมบนเส้นทางที่เต็มคุกไม่ต้องไปกังวลว่าคนเหล่านี้จะฟังหรือไม่ฟังเจ้า คนเหล่านี้จะทําอะไรกับเจ้าอัลตตาร่าจะดูแลหมดทุกอย่างเรื่องอื่นพระองค์พร้อมที่จะจัดการให้หน้าที่ของเจ้ามีอยู่อย่างเดียวอ s ส o n e s a f ยึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานให้ดีเผยแพร่อ mm ัล hmm. กุรอานให้กับคนเหล่านั้นแล้วหมดล้หน้าที่ของเจ้าไม่ต้องไม่ต้องวักแวกไม่ต้องลังเลหน้าที่ของเราได้เราได้รับจากอัลตตาร่าให้ทําอะไรทําให้ดีที่สุดเรื่องอื่นๆ อาตาลาจะทำอะไรกับคนที่ไม่ยอมฟังกับคนที่ดื้อด้านไม่ใช่เรื่องของเจ้าอีกต่อไปอาะตาลาอาจจะให้ฮีไดยัตคนเหล่านี้นะอัลฮัมดุลิลละถ้าให้ฮีไดยัต ก, ก็อัลฮัมดุลิลละดีใจประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุ น, นี้ในโลกดุนี้นี่แหละหือถ้าอาตาลาไม่ให้ฮีไดยัตเขาปิดหูปิดตาเขาเพราะอยู่กับชัยตอนจนกระทั่งโมหัวไม่ขึ้นก็ไม่ใช่หน้านที่ของเจ้าอีกต่อไปแล้วชัดเจนมากนะ ไม่ต้องไปเสียใจอะไรให้มากมายอัลลอฮฺอักบรให้ยึดอยู่กับอัลกุรอานแล้วจะอยู่ในสภาพใดก็ตามอิมสิกบินละดีอูฮียะอิเลกะเฟื่อนนัตติาฟันการปฏิบัติของเราการพูดของเราทุกอย่างทุกอิริยาบถของเราให้อยู่กับการยึดโยงอยู่กับคาสอนของวุฮัยที่เป็นอัลกุรอานจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอาลา وإنه لذكر لك ولقومك القرآن بن อ ر ب ي إنه لذكر لك الله أكبر เอเมนคำสั่งบอกให้เรายึดโยงกับอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งมาเฉยๆแต่บอกถึงคุณค่าของมันด้วยวَ إ อ ن َّ ه ُ ل َ ذ ِ ك ْ ر لك Allah تعالى บอกว่าอัลกุรอานเนี่ยหมายถึง เป็นเกียรติยศให้กับเจ้าออฮมุ hammad นักตักสิร์ส่วนใหญ่อธิบายว่าซิกรุลเลกาหมายถึงเป็นเกียรติให้กับท่านนบีมุ hammad ซลอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลกุรอานพูดถึงท่านนบีมุ hammad ชื่นชมยกย่องสรบเสริญอยู่ไหนหลายที่หลายอายะเป็นเกียรติให้กับท่านนบีเป็นเกียรติประวัติให้กับท่าน رسول ซลอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่พอว่าเรียกเาไหมเป็นเกียรติให้กับพรรคพวกของท่านด้วยหมายถึงพวกไหนพวกกุเรชเพราะอะไรอัลกุรอานลงมาในภาษาอะไรในภาษาของพวกไหนภาษาของพวกกุเรชอันที่จริงพวกกุเรชเนี่ยมีเกียรติมากเพราะอัลกุรอานลงมาในภาษาของของตัวเอง สิ่งที่พวกกุเรชสมควรจะทําก็คือรับเอาอัลกุรอานมาใช้ใช่หรือไม่แล้วท่าไมคนเหล่านี้ถึงไม่รับสุภานัลลหรอทั้งทั้งที่อัลลอฮฺต้าละ ต, าลาต้องการให้เกียรติด้วยการประทานอลาัลกุรอานลงมาในภาษาของพวกเขาแต่พวกเขาปัดไม่เอาบอกปัดเกียรติยศที่อัลาลอฮฺจะให้กับพวกเขาน่าเสียดายไหมอ๋อ ไม่ฉลาดไม่ฉลาดแทนที่ตัวเองจะศรัทธายอมรับอัลกุรอานซึ่งกํา an, กลังพูดถึงเกียรติของตัวเองท่านนาบีสุลต่านมาจากุเรชก็เป็นเกียรติใหกับพวกโครเชสแต่คนเหล่านี้กลับบอกปัดไม่เอาเกียรติยศนี้ที่เราตั้งใจจะมอบให้นเอาดูบิลลาฮิมินตะเล็กแล้วอิลล่าอิลล allah ทำไมอันนี้คือนักทับเียส่วนใหญ่ที่อธิบายมีอีกความหมายหนึ่งที่ก็บอกว่า ว่าก م ع ن, ن ا ه و ไอ้ล่าเต้กีรุลเลควอ معنىهو, ไอ้เต้กีรุลเลควอลิควอมิกล่าเอลิอในภาษ า, าไทยแปลด้วยความหมายของข้อนี้ในภาษาไทยเขาแปลว่ายอย่างไางคำพีนี้คือคำตักเตือนสำหรับเจ้าและผู้คนของเจ้า อันนี้เป็นความหมายที่สองความหมายแรกในภาษาไทยไม่ได้บอกเอาไว้ความหมายแรกเราบอกว่าหมายถึงเกียรติยศสําหรับท่านนาบีและสําหรับพรรคพวกของท่านนบีความหมายที่สองหมายถึงอัลกุรอานเป็นการตักเตือนให้กับเจ้าโอ้มโมฮัมมัดและเป็นการตักเตือนให้กับบรรดาพวกอาหรับด้วยและทุกๆคนที่ไม่ใช่อารับด้วยทุกยุคสมัย อัลกุรอานเป็นคําตักเตือนไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคใดยุคละอัลสลามันก็เป็นซิกโครนเป็นคําตักเตือนยุคหลังจากท่านดามีมันก็ยังคงเป็นซิกโครนยุคของพวกเราอัลกุรอานก็ยังคงเป็นซิกโครนเป็นคําตักเตือนให้เราได้ทุกยุคและคําตักเตือนของอัลกุรอานนั้นชัดเจนมากมั่นคงมาตลอดสิ่งที่อัลกุรอานชู ให้มวลมนุษยชาตเข้าถึงเข้าใจและเอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยไม่มีหนึ่งสองไม่มีข้อสอก็ไม่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه ูละ ت ع เชิดชูพิะฮะดะอัชฮะดออัลลอฮ์อิลลลอฮ์ะอัชฮะดอันมุฮัมมัดอลลอฮ์อัลลอฮ์ะอัลลอฮ์ และยาได้ชิริกอันนี้แหละคือสิ่งที่อัลกุรอานชูมาทุกยุคเท่าไหรและถ้าไม่เชื่ออ่าเซอฟัสอัลลูลอัลลอฮ์จะถามเราว่าเราเอาอัลกุรอานมาใช่ไหมอลัอลลอฮ์จะถามคนที่เอาอัลกุรอานปอบเจ้ารับอัลกุรอานไหมและคนที่รับอัลกุรอานเนี่ยจะถามว่าเอาอัลกุรอานมาใช่ไหมว่าเซอฟัสอลเราจะถูกถามัตตลอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอัลละฟะอัวะฮ์ี ประชาชาติของท่านนาบี Muhammad sallallahu a l a i เราเป็นประชาชาติของ อ, อัลกุรอานทุกคนจะถูกถามว่าเอาอลัลกุรอานมาใช้ในชีวิตไหมอันดับแรกเลยศรัทธาต่ออัลกุรอานหรือเปล่าทุกคนจะถูกถามอย่างแน่นอนเพระาะฉะนั้นลองหันกลับมาดูอลัลกุรอานสักหน่อยอย่าเพิ่งบอกไปอย่าเพิ่งปฏเปิเสธอัลกุรอานนะก่อนที่จะปฏเปิเสธอัลกุรอาน ลองเปิดใจดูก่อนเพราะคําถามนี้ท่านจะถูกถามแน่นอนว่าท่านรับอัลกุรอานของ a า l a h ตั้งแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราศึกษาตามอัลกุรอานหรือเปล่าเป็นคําถามที่เราจะโดนถามแน่นอนพยายามนะครับพยายามให้เราที่อยู่กับอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานและพยายามใช้ชีวิตให้ตรงกับ บทบัญญัติของอัลกุรอานทางนําของอัลกุรอานให้มากที่สุดเวลาที่อัลลอฮฺตาลาถามเราเราจะได้มีคาตอบนะครับว่าสั่มันอัลสลนาจากกับคือสิ่งที่อัลกุรอานชูถ้าเราไม่เชื่อถ้าเรายังลังเลว่าอัลกุรอานเนี่ยเรียกร้องไปสู่การตวต่ออัลละ ดังนั้นพวกเจ้าลองถามคนก่อนหน้าเจ้าดูสิถามคนก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมหมัดถามพวกไหนพวกยูพวกนาซารอพวกประชาชาติพวกที่นับถือศาสนาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าท่านนบีที่เคยมีนบีมาก่อนหน้านี้นบีมูซานบีอิสสนบีอับราฮิมคนที่ตามนบีเหล่านั้นอะจัลนามิญดูนีลราะมานี آل ิ حة تن يعبدو มีไหมในยุคประชาชาติก่อนหน้าเจ้าโอ้มฮัมมัดที่บรรดารอซูลมาบอกว่ามีพระเจ้าอีกนอกจากอัลลอฮุ س ب ح ا ن ละ ى, ที่มนุษย์จะต้องเคารพพักดีลองถามดูว่าในบทบัญญัติของศาสนาก่อนๆมีบอกอย่างนั้นหรือเปล่าแน่นอนว่ามันไม่มีไม่มีอายักนี้เป็นการประกาศชคาด kan perakat pen sakib kian wah rasul tanggut, mi aqidah dia kan, nanti ke aqidah asyhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharitalah. Wajah pen Nabi Nuh, alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi tuh kon, mi, mi percau orang. ที่มน <spielt Adobe pumpkins> ุษย <aaa> ์จะต้องกราบไหวบูชาไม่มีไม่มีรอสุลสักคนหนึ่งเลยที่พวกอย่างนี้มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาอมีอุรลดอลามาดตนนาสอิลินอิบะดะติลลาะุลาชริกัละรอลทุกคนนั้นได้ทาหน้าที่ในการเชิญชวนเหมือนกับที่เจ้าได้เชิญชวนมนุษย์นั่นก็คือการอิบะดะต่อ พระองค์เด on ียวนั้นโดยไม่มีภาคีใดๆวน้าเาอันอิบติลอันมิวัลอัดดละพวกเขาก็ห้ a มประจากการชิริกจากการกราบไหวรูปปั้นและการสิ่งอื่นๆที่เป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ س ب ح ว ن ه แะจบอายัดนี้นะครับ45วันนี้เราเรียนเยอะสักนิดหนึ่งเพื่อให้ทันก่อนที่จะถึง رمضان อีกช่นอัลลอะโดยสังเขตนะครับว่า พวกมุชริกีนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เหมือนกันได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าเวลาที่ห่างไกลไม่ยอมรับคำแนะนำจากอัลกุรอานุลกีรีมก็จะเป็นช่องทางให้ชัยตอนเข้ามาครอบงำและเวลาใดที่มนุษย์โดนชัยตอนครอบงำก็จะห่างไกลจากฮิดายัดของอัลลอฮ์ س ب ح า ن ه และ تعالى ไม่มีทางกลับมาได้อีก ในโลกดุนีย์อาจจะเป็นเพื่อนกับชัยตอนจนกระทั่งชีวิตเสียหายพอกลับไปในวันอนาเครอมีความเสียใจอยากจะยกเลิกเป็นเพื่อนกับชัยตอนแต่ก็ทําไม่ได้อีกต่อไปวัละยาตัวเป็นละอิมเนซาลิเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่จะต้องรู้ตัวตั้งแต่มีชีวิตอยู่ในโลกดุญญนีย์นี้พยายามห่างไกลจากชัยตอนด้วยการเข้าใกล้อัลกุรอานอลกิริมให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเรียนการทำความเข้าใจ และที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้อัลกุรอานในชีวิตของเราจริงๆแต่เราจะได้ห่างจากชัยนะอูุบิลละ ل ه ا ل รมัินาัวครับหน้าเราจะมาดูกันว่ารัสูลตอนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยวะัลลัมเคยประสบปัญหาอะไรกับพักพวกของตัวเองในการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ วิญญาณแรกเ عليه السلام อ i n ا h a l ل a h ข้ ا พเ و ้า ا ل ะท่านอัลลอฮ์ต้องฟังนั่นแหละท ا าน ل ัลลอฮ์ท่านอัลล ل ฮ ع ل รงรู้ و ่า م ่านอัล ل อฮ์ทรงรู้ م ่าท่านอัลล ا ฮ ع ทรงรู้ว่าท่านอัล ل อฮ์ทรงรู้ ا ل าท่ ل นอั ل ลอฮ์ทรงร ا ل ل ่าท่านอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าท่